พุ่นกับใครดูหัวใจตัวเองบินธามากก็ดูนี่มันจะเครื่อไ น, นไหวไปไหนความคิดความทุงของกี่ตัวนั้นนะ่ะตัวพิลึกพูดยังไงมันอยู่ในนั่นนะ่ะมันแสดงรอบเวลาเวลาบิดง่ายดูจะได้บัตรเวลาบินธาา ก, กเวลารับบัต ท่านดูภาพดูเนยมันยวยี่ยยัวเยี่ยเหมอนลงวิจิตรครตาภาพขึ้ถึงไหนมันจะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามนสดสังเวชนะนันเคยแล้วการอยู่กับคอาการก็เคยมาแล้วหนักอกหนักใจก็หนักมามากเคยมาแล้วทอานั้นนี่ ในระยะที่เราเป็นผู้ปกคอรอง่เพื่อนก็อย่าให้เห็นอย่างนั้นอีกต่งองค์ต่างมาก็เจตนามุ่งหอ่านมุ่งทําหญ่ที่เ็กเขามาเหยียบย่ําทําลายในวัดในว่าเพื่อนฝูงนอกจากตัวของเหยียบย่ําตัวของเราแล้วอย่าให้หมู่เพื่อนนฉลองปอเปกเปลือกแหลกเรลวไปาตามกันนะหูมีตามีดูมีสร้างรวมระวังนั่นแหละนักปฏิบัติภาวนาก็ดูหัวใจหนะ่ย เห็นไปดูอะไรสวรรค์มิถานในโลกอยู่ที่ไหนถ้าตัวนี้ไม่สว่างมันไม่เห็นนบะบโคลกรปเาก็เหมือนคนตาบอดอวดดีแลชนไม้ปงัปงๆโดยไม้ตูมถูมหัวแตกแต่ตัวนี้มันสว่างไม่ดูมันก็เห็นไม่อยากดูมันก็รู้ขอให้ใจนี้ดวงนี้สว่างแค่หว่างเดียวนะั้นสะความจริงทั้งหลายมันปิดอยู่เมื่อไหรเปิดอยู่ในหลักธรรมชาติของความจริงอยู่แล้วนอกตานั้นมันบอดตาใจมันไม่เห็นเท่านั้น นกปาชเห็นนันไม่เหมือนเรามันไม่พลาดพลาดอยู่ไม่เห็นมันหลานเหตุผลที่จุกวนพูดนักบางน้อยที่พูดไปเสียที่จะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดนั่นเพราะท่านไม่หิวไม่หอยเรื่องหิวหอยเรื่องของวิเศกขอหนับหน้าถือตาบ้าทั้งเจ้าของมันนับถือเจ้ของหน้าเขาดื่มเขานับถือนับถือเจ้ของปฏิบัติเจ้ของให้ดีที่เจ้าของนับถือเจ้ของ เต็มเหตุเต็มผลแล้วใครมานับถือใครนับถือก็เป็นเรื่องของเขาอันนี้ในหัวใจขเขาเขาเรื่องใส่ก็ใสยย่ที่ใจของเขาเขาทำหนิตีเกียนก็เศร้าอยู่ในใจของเขาผิดในใจของเขาถ้าเราถูดแล้วนะไปเอาอะไรกับเขาหาเอากับตัวเองนี่คืนับถือตัวเองเคารพตัวเองก็คือเคารพธรรมสนใจปฏิบัติตรงนี้เรื่องนั้นเรื่องนอ ก, นอ ก, นอกเรื่องของโลกโลกยุ่งมันทําไมนัม่นใช่เรื่องของข้ามันใชเรื่องของธรรม โรงของทําดูเจ้าของรักษาเจ้าของเจ้าของแคบคาดปลอดภัยไปมาก น, อกนอก้อยเพียงไรนั่น่ะเป็นมงคลแก่เจ้าของโลกธทําโลกธรรมอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจเรายิ่งในสิ่งภายนอกมาสัามผัสสัมพันธ์ด้แลก็ยิ่งไปใหญ่แดงเปลเี่ยมจดเมฆเราหนะัก เต็มโหที่อยากให้มพื่อนได้รู้ได้เห็นใี่นีแสดงเต็มเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะไม่ได้แสดงเลยคุผมขอให้พูดเต็มปากให้หมดไม่ได้พูดแบบรุ่นเดาๆดินะมไม่ะสะทกสะท้านพราอต้องมาจากความจริงใ้ปฏิบัติยังไงงพอปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆนี่เอาอะไรมาหลอกเพื่อนฝูงอ่ะถ้าทำจะรู้ก็รู้อย่างนั้นจริงๆนี่เอาอะไรมาหลอกอ ผมอยากให้รู้ว่าจะเป็ยังไงทำมาพุทธเจ้านั่นมากระเทือนโลกมาโดอเฉพาะองค์ปัจจุบันศาสดาองค์ปัจจุบันเราก็ 2,600 ปี 2,567 ปีนี่นั่นนับแต่วันแก่สือหมาถึงวัทั่งวันปณนิพัทธ์มาถึงวันนี้มันก็เทือนอะไรบ้างในหัวใจเราทําเหล่า น, นี้แม้แต่สมาธิมันก็ไม่ปรากฏจะเอาอะไรมากระเทือนอะไรมากลางวานัน กังวาในความสงบภายในใจกังวาในปัญญาที่ท่านแสดงไว้มันมาปรากฏขึ้นที่หัวใจหัวใจเรล่านี้มากกวนิพผ่านไม่ต้องบอกจะกังวลนกันที่ไหนไม่อยู่ที่ไหนที่รับเรอมว่าผลนิพพานอยู่ที่ตรงไหนนี่นะอยู่กับการในฐานที่ที่ไหนอธิษฐานแล้วพูดจริง่เป็นความจริงอย่างนั้นการจะิฐานที่ที่ไหนไม่มีนี่ตรงนี้กิเลสอยู่ตรงไหน ค่าที่เหลือแหลกแล้วไม่ต้องถามเหมือนที่เตียนลง่งทุนลกลุงลุงรังอยตรงไหนถาถาังก็ไปไฟเผาก็ไปที่ความเตียนโล่งมันจะมันมีอยู่แล้วพานนั้นเป็นที่ว่าเรียงว่าถูกสิ่งตางๆปกคุ้มห่อยฉะนั้นมันจะไม่ปรากฏตัวขึ้นมาพอจะทำลายสิ่งปกคลุมหมดแล้วความเตียนล่งไม่ต้องถามหานี่ก็เหมือนกันถูกคองเลี้ว ทั้งหลายเปิดปิดบังเนี่ทิศทั้งดวงก็เลยเป็นมูลสดมูลแห้งไปมันหาความพมิเศษไม่ได้สิรู้สึกแล้วอรักเลยปอะภูดทั้งยีนลแล้ ว, ร, ลวรู้สึกแล้วแล้วรู้สึกทั้งเยืน